กัเพราะไม่ยอมรับพ่อรายที่สองสมัยที่หลวงพ่ออยู่ที่อุบลวัดบูรพามีเด็กคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ด้วยมาเหตุผู้อ่านในที่นี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าวัดบูรพาอะไรเขียนว่าวัดบูรพาและมีปยญานน้อยมีเด็กคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ด้วยชื่อในคล้ายคนบ้านนาเอื่อม ที่อำเภอพิบู์เมื่อก่อนยังไม่เป็นอำเภอมันเปเป็นตำรวจตอนนั้นเป็นในร้อยตำรวจโทไปอยู่ที่นคนปรปฐมตั้งแต่มันเป็นนายตำรวจมันก็มีครอบมีครัวมันก็ไม่บอกให้พ่อให้แม่มันรู้พอเสร็จแล้วเจ้าพ่อเนี่ยคิดถึงลูกชายก็ไปเยี่ยมไปก็ไปหาพระที่อยู่ในกรุงเทพที่มันเคยอาศัยไปเรียนหนังสืออยู่นั่นพระก็พาไปพอขึ้นไปบนบ้านพักมัน พระครูบาที่มันเคยอาศัยอยู่นั่นก็เรียกว่าคล้ายพ่อมาเยี่ยมพอได้ยินว่าพ่อมาเยี่ยมเมียมันทำกับข้าวอยู่ในครัวเรียบล้างมือล้างไม้จะรีบมาไหว้พ่อผัวพอเมีย ม, มามันบอกว่าไม่ต้องไหว้ก็ได้หรอกเขาไม่ใช่พ่อจริงของพี่ก็เป็นพ่อเลี้ยงพอพระได้ยินอย่างนั้นจุงมือคนแก่ไปมันไม่ว่าเราเป็นพอ่อกลับไปอยู่วัดเราดีกว่าแล้วก็หนีไป เสร็จแล้วจาพ่อเนี่ยใจอามาหิตเหมือนกันเขียนหนังสือร้องเรียนผู้บังคับบัญชาบอกว่าลูกออกจากท้องเลี้ยงมาจนใหญ่จนโตส่งเสียให้เรียนหนังสือจนได้เป็นนายตำรวจพ่อมาเยี่ยมมันปฏิเสธว่าไม่ใช่พ่อมันลงผลสุดท้ายเจ้านายสอบสวนไล่ออกจากตำรวจ